รู้จริงแล้วจัดให้ตรงจะก้าวไปในการศึกษาธรรมะจัดทิศทางให้ชัดอย่างที่รู้กันว่าเรามีพระไตรปิฎกภาษาไทยหลายฉบับหรือหลายชุดนั้นขอทบทวนความเข้าใจกันให้ชัดไว้ว่าที่จริงนั้นพระไตรปิฎกภาษาไทยไม่มีแต่เป็นการเรียกหรือตั้งชื่อให้สะดวกหน่อยคือให้สั้นๆจะได้เรียกให้ง่าย พระไตรปิฎกตัวจริงนั้นเป็นภาษาบาลีเวลาพูดเพื่อไม่ให้สับสนปนเปก็เรียกว่าพระไตรปิฎกบาลีเป็นการเรียกให้รู้ชัดกันไปประเทศไทยเรามีพระไตรปิฎกบาลีที่พิมพ์เป็นเล่มหนังสือครั้งแรกโดยใช้อักษรไทยเรียกว่าสยามรัฐทัศน์เตปิด ต, ตกังคือพระไตรปิฎกของสยามรัฐพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐส่วนพระไตรปิฎกภาษาไทยที่จริงคือพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยโดยแปลาจากพระไตรปิฎกตัวจริงที่เป็นภาษาบาลีนั้น <c oughs> เพื่อช่วยให้คนที่อ่านภาษาไทยศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกได้พระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทย asks, ไปแล้วอย่างนี้ไม่ว่าจะแปลาจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐ หรือจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับไหนคำแปลนั้นก็ไม่เป็นฉบับสยามรัฐปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาดสับสนจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาโดยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและขออภัยที่ต้องออกนามของท่านที่ทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในการพูดถึงนี้ ถ้าข้อมูลใดไม่ตรงไม่เต็มก็ขอให้ช่วยบอกแจ้งก่อนจะพูดต่อไปขอทบทวนเรื่องว่าพระคึกฤทธิ์จัดทาหนังสือที่ชื่อว่าพุทธวจนะโดยคัดเอาพุทธวจนะมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยที่พระคึกฤทธิ์บอกว่าเป็นสยามรัฐท่านบอกว่าไม่เอาอัตถกถาได้บอกแล้วว่าการทำอย่างที่ว่านั้นไม่เป็นความจริงและไม่อาจเป็นไปได้ เพราะว่า 1. พระไตรปิฎกภาษาไทยที่เป็นสยามรัฐหรือเป็นฉบับสยามรัฐไม่มีจริง 2. อพระไตรปิฎกภาษาไทยเป็นคำแปลและมีข้อบกพร่องที่ยังต้องแก้ไขใช้เป็นเครื่องช่วยศึกษาได้แต่ถือเป็นหลักฐานอ้างอิงคันตัดสินไม่ได้หนังสือพุทธวจนะจึงมีฐานะและภาวะอย่างนั้นด้วย 3. พระไตรปิฎกภาษาไทยทุกฉบับ แปลโดยอาศัยอัธกถาเป็นหลักถ้าไม่เอาอัธกถาก็ต้องไม่เอาพระไตรปิฎกภาษาไทยและต้องไม่ใช้พจนานุกรมภาษาบาลีซึ่งก็อาศัยอัถกถาเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้พระคึกฤทธิ์จะต้องเปลี่ยนไปทำหนังสือพุทธวจนะเป็นภาษาบาลีโดยเลือกคัดพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกบาลีโดยตรงหรือมิฉนั้นถ้ายังจะทำเป็นภาษาไทย ท่านจะต้องแปลเองหรือให้ใครทำคำแปลขึ้นใหม่ถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้ปราคุริศหรือผู้แปลใหม่นั้นจะต้องมีความรู้ภาษาบาลีดีกว่าบรรดาพระเทรานุเทระนักปราดราชบัณฑิตทั้งปวงที่ได้เป็นผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ได้ทำกันมาแล้วกับทั้งเป็นอันว่าท่านจะแปลโดยไม่ใช่อัตถกถา ตลอดจนพุจนานุกรมบาลีที่ถือตามอัตถกถานี่ก็คือท่านต้องเริ่มต้นใหม่มีข่าวเป็นเขาว่าพระคึกฤทธิ์ได้แปลาบาลีเป็นไทยเองบ้างแล้วไม่ทราบชัดว่าท่านแปลใหม่เพื่อทำใหม่หรือเพื่อแก้ไขคําแปลที่ท่านนำมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่งมาอยู่ในหนังสือพุทธวจนะของท่านนั้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ต้องให้คำแปลที่ถูกต้องดีกว่าของเดิมอันเก่าข่าวนั้นบอกว่าพระคึกฤทธ์แปลคำว่าสกิเทวะคำนี้มีในพุทธวจนะที่แสดงความหมายของสกิทาคามีพระคึกฤทธ์แปลคำสกิเทวะว่าเทวดาครั้งเดียวอัตมาอยู่ห่างไกลได้ยินนิดหน่อยก็ฟังไว้ก่อนต่อมาสักครึ่งค่อนเดือนที่ผ่านมานี้มีพระไปพบ ก็ได้ถามเผื่อท่านรู้ท่านยืนยันว่าพระคึกฤตแปลยอย่างนั้นจริงๆคําแปลนั้นไม่ถูกต้องแน่นอนและเรื่องอย่างนี้ควรถือเป็นสําคัญเพราะเป็นการกระทําต่อหลักของพระพุทธศาสนาที่มีความหมายต่อคนจํานวนมากมายถ้าเรื่องคืบหน้าหรือขยายขอบเขตมากขึ้นจะทําให้เกิดความสับสนทางความรู้ความคิดซึ่งเป็นอันตรายจะแค่หัวเราะสนุกสนานกันเท่านั้นไม่ได้ ถ้ามองในแง่ดีก็เอาเป็นเครื่องกระแทกกระทันให้คนไทยตื่นขึ้ น, นมาใส่ใจศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเพื่อทาอะไรอะไรให้ถูกต้องทีนี้ก็ดูว่ารักคึกฤทธ์แปลขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่ได้สอบถามท่านโดยตรงก็พอจะเดาหรือสันนิษฐานได้สกิเทวะนั้นคนไทยดูแค่เผิอๆก็พอจะนึกแบบไทยๆว่า คงมาจากสองคำรวมกันคือสกิบวกเทวะตัวหลังคือเทวะคุณกันในภาษาไทยอยู่แล้วก็คือเทวะหรือเทพหรือเทวดานั่นเองมาจากคำบาลีที่ใช้เป็นคำไทยไปแล้วคำนี้จึงเหมือนกับว่ารู้อยู่แล้วไม่ต้องสืบค้นอะไรแปลได้ทันทีแต่ส ก, กิไม่มีในภาษาไทยจะแปลว่าอย่างไร สงสัยว่าพระคึกฤทธ์คงจะไปนค้นดูในพจนานุกรมหรือดิกชนารีภาษาบาลีสักเล่มหนึ่งจึงได้ความหมายที่เข้าทางที่ยังไม่แท้ว่าครั้งเดียวถ้าท่านดูในพจนานุกรมได้มาก็คือท่านไปไม่พ้นอัตถกถาการปลายอย่างนี้ไม่ใช่แค่สนุกหรือขำแต่เป็นอันตรายถ้ามากขึ้นมากขึ้นก็วุ่นวายสับสน อันนี้น่าจะเทียบได้คล้ายกับคนที่บอกว่าแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนัหรอง่ายมากฉันไม่ต้องใช้ดิกชันนารีหรอกคนนี้เจอคำว่าซีซั่นก็บอกได้ทันทีคำนี้หรอง่ายมากชัดอยู่แล้วซี C ก็ทะเลสันก็ลูกชายรวมกันซีซั่นเป็นลูกทะเลลูกทะเลก็คือทหารเรือเพราะฉะนั้นซีซั่นก็คือทหารเรือ แถมพอมีใครให้ดูดิกชันรีก็บอกอีกว่าดิกชันรีเล่มเนี้ยผิดอะไรกันซีสัส้นแปลได้อย่างไรว่าฤรือดูเห็นอยู่ชัชดๆว่าซีแปลว่าทะเลกับสั้นแปลว่าลูกชายก็ลูกทะเลเนี่ยแหละทะหารเรือที่จริงที่เขาว่าไม่ต้องดูดิกชันรีนั้นเขาอาจจะรู้คำนี้มาจากคุณครูซึ่งได้ดูคำนี้ในดิกชันรีมาก่อนแล้ว หรือง่ายๆคำพวกนี้ได้พูดได้พบในชีวิตประจำวันกันบ่อยนักจนคุ้นมากไม่ต้องสืบว่าใครเป็นคนดูดิกชันนารีหรือบอกความหมายเป็นคนแรกหันกลับมาที่สกิเทวะถ้าเราไม่ปฏิเสธดิกชันนารีก็ไปดูอัจกริยในหน้าที่พื้นฐานคือบอกความหมายเหมือนเป็นดิกชันนารีหรือพจนานุกรมฉบับต้นก็พบหลายแห่ง ยกมาสักทีว่าสกิเทวาติเอการาเมวะสกิเทวะหมายความว่าวาระเดียวเท่านั้นหรือครั้งเดียวเท่านั้นที่จริงคำว่าสกิเทวานั้นถ้ารู้ไวยากรณ์บาลีบ้างแม้แต่ชั้นต้นๆก็รู้ว่าง่ายๆไม่ต้องไปถึงอัตถกถาหรือพจนานุกรมอะไรถ้ารู้ไวยากรณ์บาลีอยู่บ้าง ก็รู้ว่าสกิเทวะมาจากสกิงกับเอวะสกิงแปลว่าครั้งเดียวบวกเอวะซึ่งแปลว่าเท่านั้นสกิงบวกเอวะจึงแปลว่าครั้งเดียวเท่านั้นสกิงคำหนึ่งกับเอวะอีกคําหนึ่งเอามารวมจับติดกันสกิงกลายเป็นสกิบบวกกับเอวะจึงเป็นสกิเทวะ สกิจในที่นี้เขียนด้วยสอเสือกอไก่สระอิทอทหารและมีจุดข้างล่างนะครับจะคงสกิงไว้ก็ได้แต่ต้องเติมยอยักษ์รวมกันเป็นสกิงเยวะก็เหมือนกับเอการะเมวะที่เอามาบอกเป็นความหมายเอกวาระเมวะมาจากเอการังกับเอวะ เอกาวารังแปลว่าวาระเดียวเอวะแปลว่าเท่านั้นรวมกันแปลว่าวาระเดียวเท่านั้นเอกาวารังคําหนึ่งกับเอวะอีกคําหนึ่งเอามารวมจับติดกันเอกาวารังกลายเป็นเอกาวารัมบวกกับเอวะจึงเป็นเอกาวาระเมวะจะคงเอกาวารังไว้ก็ได้แต่ต้องเติมยอยักษ์รวมกันเป็น เอกวารังเยวะสกิเทวะก็ดีสกิงเยวะก็ดีเอกวาวระเมวะก็ดีเอกะวารังเยวะก็ดีมีมามากมายพบได้ทั่วไปในคัมภีร์หรือหนังสือบาลีทั้งหลายนี่คือหลักง่ายๆไม่มีเทวดาอะไรมาเกี่ยวเป็นเรื่องของถ้อยคำสามันที่เป็นไปตามหลักภาษาไวยากรณ์บาลีก็คล้ายกับเรื่องสีสั้นนั่นแหละ จะเอาแค่คำว่าสีบวกสันไม่ได้ที่ว่ามานี้ก็แสดงให้เห็นประโยชน์ขั้นต้นอย่างพื้นพื้นของอัตถกาถาซึ่งควรทราบก่อนก้าวอย่างเห็นทิศเห็นทางไปในการศึกษาพระไตรปิฎกและพระพุทธศาสนา